มนุษย์จะไปอาวกาศอัพเดตความคืบหน้าปี2024ว่าไปถึงไหนกันแล้วค่ะ ค้างหากัไม่นา น, นะคะสำหรับซีรีส์แดนสติวเจอค่ะยริงๆก่อนหน้า น, นี้ช่องเราเนี่ยก็เอยนําเสนอนะว่าการที่มนุษย์จะไปดินอังคารจะออกไปนอกโลกมันความเป็นไปได้มันมีอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนแค่เรื่องในโลกมนุษย์เราก็มีเรื่อ ง, งลับมือมีเรื่องต้องให้สนใจอยู่มากมายแล้วนะคะเรื่องราวของการออกไปสำรวจอวกาศเนี่ยจึงออกไปจากเรดาร์ความสนใจของสื่อกระแสหลักแต่กลุ่มคนและบริษทัทที่มีพันธกิจกับการออกไปพิชิตอวกาศเนี่ยเขาก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการสันรนานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ก้าวข้าม Challen จ์ต่างๆนะคะที่ โโซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสในตาลมาวีแคปนะคะประกอบกับนิชลิมค่ะผู้สนับสนุนหลักของเราในคลิปนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพานมนุษย์ออกไปสำรวจความเป็นไปได้ น, ใ น, ในอกโลกเช่นเดียวกันค่ะ พูดถึงการไปอวกาศของมนุษย์เรานะคะจริงๆแบ่งออกเป็น2วัตถุประสงค์หลักๆอันแรกเนี่ยก็คือการออกไปท่องเที่ยวในอวกาศจะออกไปนอกพื้นผิวโลกแล้วมองย้อนกลับมาในโลกโอ้โหเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจะักะราคาต่อหัวนี้ยังสูงมากๆแต่ในคลิปนี้ค่ะเราจะมาโฟกัสที่วัตถุประสงค์ที่2ของการออกไปนอกโลกนั่นก็คือความเชื่อที่ว่ามนุษย์อาจจะสามารถไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนดาวดวงอื่นได้แนวคิดนี้นะคะเริ่มโดยอีโอนมาสนะคะเขามีความคิดว่าโลกทุกวันนี้นะคะ มลภาวะมันเยอะโรคระบาดเยอะเรานับวันนะับวันโลกพร้อนเป็นแบบโค้ดเวฟปู่ไม่กลับแล้วนะคะเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะคนจะต้องหาถิ่นฐานอื่นๆที่เราสามารถไปอยู่ได้มันคือแนวคิดว่าม้ชาชัยแพลเน็ตเรียลยูแนะคะหรือว่านุ์สามารถอยู่บนดาวหลายดวงได้ซึ่งอินลันด์มา์ก็ตั้งเป้าเลยว่าเขาอยากจะพามันนย์ประมาณล้านคนไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารให้สําเร็จภายในปี2050ถามถูกว่าทําไมต้องเป็นดาวอังคารเพราะเขาบอกว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มี สัดส่วนขององคประอกอบของขั้วโลกเนี่ยเป็นน้ำแบบเดียวกับโลกแล้วก็มีกลางวั น, วนกลางคืนเช่นเดียวกับโลกแต่ภายใต้ความเหมือนนั้นแน่นอนค่ะการที่มนุษย์จะย้ายขึ้นไปบนดาวดวงอื่นได้เนี่ยก็มีชัยเลนช์หลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องก้าวข้ามไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอาหารอากาศแรงน้ําถ่วงการปลูกพืชเลี้ยงสตัตว์หรือว่าการเคลื่อนที่อยู่บนดวงดาว เราแบบที่ความแบบหนาของโลกกับดาวอังคารให้เห็นเป็นพาร์ารไปนะคะอันแรกน้ำก้อโลกของเราเนี่ยมีน้ําเป็นสัดส่วนอยู่เยอะซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปแบบของของเหลวเนาะเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลเป็นลำธารเป็นอะไรเงี้ยซึ่งทําให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้ส่วนดาวอังคารเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบก็จริงแต่เนื่องจากอุณหภูมิของดาวอังคารเนี่ยค่อนข้างหนาวเย็นมากๆทำให้น้ําส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในรูปแบบของน้ําแข็งอาจจะมีน้ําที่ละลายออกมาเป็นของเหลวในช่วงฤดูร้อนบ้างนะคะแต่ก็หน้าเสาไม่เพียงพอสำหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ค่ะอัน รู้จักอย่างเต็มที่ก็คือหน้าร้อนมระเทศไทยวันซ้าอ ไ, ไม่ร้อนแบบแดดเผาปิ้งไข่สุกนะคะหรือถ้าหนาวขั้วโลกนะคะเพราะว่าจะมีแบบมรรทุกขั้วโลกที่ใส่เสื้ออยู่ในอิกบรูมที่รับมือเดินไปแต่บนดาวอังคารนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ลบหกองศาเซลเซียส